พระธรรมเทศนาแผ่นที่66ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่31กรกฎาคม2554มีชื่อเรื่องว่าความชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่า วันนี้เป็นวันชุ่มวันเย็นจริงๆห ล, ลวงพ่อไม่ใช่จะวันชุ่มวันเย็นเนะจะกลัวจะเป็นวันท่วมอีกต่างหากเี่นะเอถ้าลักษณะนี้กลัวจะเป็นวันท่วมปีสามเจ็ดหลวงพ่อสร้างสะพานปีนั้นก็รู้สึกน้ําท่วมแรงมากเลยมีแขกจากกรุงเทพมาพักด้วยคราวนั้นอะ่ะโอ้โหน้ํา ท่วมสะพานแต่ก็ยังไม่ถึงก็เสียหายเพราะไม่มีวัดไม่มีของในวัดที่สร้างท้าวรนอะไรมันไม่มีแต่เสียหายมีแต่น้ำท่วมธรรมชาติแต่ปี47เจเนี่ยหลวงพ่อลงตามหาบัวท่านสร้างกำแพงให้หลวงพ่อแล้วแต่นี่ยเยขื่อนก็แตกกำแพงก็ขาดไปทั้งสองสามร้อยเมตรเนะี่ยคราวนั้น โอหมดเงินไปเยอะเลยหลวงตาท่านก็ บ, บอกว่าวัดป่าบรานตาดกับกำแพงล้มไปทั้ง40เมตรเต็มเลยนบ้านบ้านตาดนะไอประตูประตูทางเข้าเนะี่ยประตูทางเข้าวัดป่าบ้รนตาดเนะี่ยน้ำขึ้นประมาณ1เมตรขนาดนะะั้นแหะไม่รู้น้ํามาจากไหนมันไหลมาจากทานันมันมีที่ออกพอมไม่ออกมันก็เ อ, อืออยู่ตันกําแพงเปิดประตูไม่ได้ กวาที่จะเปิดประตูได้โอ้โหน้ำทะลักออกไปปีนั้นรู้สึกว่าปีที่รุนแรงปีหนึ่งเหมือนกันฝ น, นตกกว้างกว่างน่ากลัวอันนี้ว่าพุทธกับภัยไผน้ำท่วมวาตะภัยเกี่ยวกับลมอักขีอัยีเกี่ยวกับไฟไหม้โจะภัย เกี่ยวกับโจรผูร้ายภัยเกิดของมนุษย์ที่พวกเราเกิดมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นน่ะจะทำยังไงได้เกิดมาแล้วมันก็ต้องอยู่ในใต้ดินฟ้าอากาศมันก็ต้องยอมรับทุกสถานการณ์นี่จะไปไปหาคุณแม่ คุณแม่เอ้ยทำยังไงน้ำท่วมท้องไร่ท้องนาไม่รู้จะได้อยู่ได้กินยังไงปีนี้คุณแม่โอ้เกิดมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าพวกเราจะทำยังไงพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าเกิดแต่หาว่าพวกเราก็ยังไม่หมดกิเลสมันก็ยังเกิดอยู่ จะจะทํำยังไงได้เราพพุทธเจ้าสอนว่าทําอย่างนี้อย่างนี้นะจะไม่เกิดตัวเราก็ทําไม่ได้ตัวหั่นเกิดถ้าเราเกิดมาแล้วมราต้องเจออย่างนี้แหละจะทํำยังไงได้พอเราเกิดมาแล้วสรุปแล้วก็คือเพราะตัวตัวของเราเกิดมาจึงประสบพบเห็นสิทธิ์เหล่านี้ถ้าเราไม่เกิดแล้วก็จบไปนิพพานซะ ไปพระนิพพานอย่างพระพุทธเจ้าพระหรันภาษาวกท่านชำระใจของท่านไม่ไม่มาเกิดอีกให้มาเกิดก็ไม่ตายเพราะไม่ตายเพราะไม่เกิดไม่เห็นไม่เห็นสิ่งต่างๆไม่เห็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสิ่งที่พึงปรารถนาแต่พวกเราเนี่ยมันชำระไม่ได้ พอมันไม่ชำระไม่ได้สิ่งที่พึงปรารถนากับสิ่งที่พอใจกับหัวเราพอใจแต่อีกสักวันหนึ่งสิ่งไม่พอใจเกิดขึ้นมาอีกร้องให้ในสิ่งที่ไม่พอใจมันมีจิตใจของเราก็เพิ่อมอยู่ตลอดเวลาเลี้ยวกว่าดำเลี้ยวกวาขาวเดี๋ยวกดําดเลี้ยวกวาขาวกับคลิปเดียวมันก็มืดเลี้ยวก็แจ้งนะลักษณะอย่างนั้นเดี๋ยวก็่มืดเลี้ยวก็สว่างเลี้ยวก็่ามืดแล้วก็สว่ า, วา ง, าาางใจของปุตุชนใจของพวกเรา สว่างคืออะไรกคือสว่างก็คือความสุขพวกเราได้รับความสุขใจก็เบิกบานแต่เมื่อใจได้รับความทุกข์ใจกด็ดําปีมืดนี่แหละใจของเรามีแต่มันมันขยับไปตลอดเวลาถ้าเราดูถ้าเรารู้นะเบนเสียจะเราไม่ได้สังเกตถ้าเราไม่ได้สังเกตถ้าเราไม่ได้ศึกษาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เราจะไม่มีอะไรเปรียบเทียบแต่ถ้าเาว่าเราได้ศึกษาธรรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเปรียบเทียบอย่างองค์ลงตาท่านว่าท่านไปภาวนาทําจิตใจให้สงบนิ่งลงไปแล้วท่านดูใจของท่านอามันมีจดุดมันมีจุดมีต่อมอมันมีจุดมีต่อมผู้รู้อยู่ที่ใดตัวนั้นคือตัวพบตัวชาติ อันนี้ก็เหมือนกันนะใจของเราเนี่ยมันเช็คอยู่ตลอดเวลามันวันไว้ไกวแขวนอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าว่าเราไม่มีสมาธิเข้าไปจับมันก็ไม่เห็นแต่เมื่อใจของเราเป็นสมาธิเมื่อไหรใจของเราเน่งเมื่ อ, อไรเราจะเข้าไปดูใจของเราไปดูเราจะรู้ได้เห็นได้เนี่แหละพระพุทธเจ้าพระอัจฉริยท่านเทศภาษาเลบุ ท่านบอกว่าอาอย่าให้ความอย่าให้ความสําคัญอในการพะวัลการเห็นก็รู้เห็นก็รู้อยู่จางนั้นเห็นอยู่จังนั้นเห็นให้เป็นอันนี้จังของไม่เที่ยงอันนั้นคือที่ท่านดูดูใจของท่านาแต่พวกเราเนี่ยเห็นแต่ปลายมือเห็นแต่ต้นแต่ดอกแต่ ปลายของมันเห็นแต่ผลของมันออกมาพอออกมาแลวมันทุกข์แล้วบางทีก็เป็นที่พอใจกระสุขบาง ท, ทีก็เป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่พอใจอย่างวันนี้แหละแย่วันนี้ฝนตกที่นี่เวลาเราจะเดินไปเน้นต้องระวังนะอย่กลัวจะหกล้มสาหกล้มขึ้นมาแล้วไม่คุ้มค่าเพราะนั้นพวกเราเนะวันนี้ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ หาว่ามันหกล้มลงไปแล้วมันไม่คุ้มค่าจริงๆนะแต่ถ้าขาหักแขนหักแล้วก็บางทีอาจจะทุบพลภาพไปนานเท่านานกระนั้นลงข้อเ๋อย่ไปที่ไหนลงข้อต้อง <c oughs> ดูระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะลงข้อลงพ่ออายุมากแล้วแต่ถ้าเป็นเด็กหนุ่มวิ่งเท่าไรมันก็ล้มก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับพวกเราล้มเนีเ่ยแปลว่าไม่ดีเลย จะเป็นทุกข์ให้ลูกหลานเป็นทุกข์ลำบากกับเราเพราะนั้นเราจะไปที่ไหนเราต้องคิดให้ดีซะก่อนต้องเดินต้องขยับดูซะก่อนด้วยความมั่นใจซะก่อนเราจึงค่อยไปไม่ใช่ไปแบบซุ่มซามไปเรื่อยพอขาหากักแขนหักขึ้นมาแล้วกันนะเป็นภาระคนอื่นเขาพอคนอื่นเขาไม่ดูไม่แลเราเราก็โกรธโมโหลูกหลานไม่ดูไม่แล ตัวเองสุ่มซ่ามไม่ไม่ดูฮะวันนั้นเราอย่าให้สุ่มซ่ามนะพวกเราท่านทั้งหลายนะอันนี้หลวงพ่อสอนคนแก่บอกคนแก่เพราะหลวงพ่อก็แก่เดินอีกไม่กี่ปีก็เจสิแล้วนะหลวงพ่อนะเพราะนั้นหลวงพ่อจะเข้าห้องน้ำํำจะไปที่ไหนหลวงพ่อต้องดูสก่อนฮะรักษาไว้สก่อนบางทีจะฉันอะไรก็เหมือนกันถ้าฉันจริงไหนที่มันจะเป็นไขมันในเม็ดเลือด ไขมันเยอะหมอเขาสั่งเราก็ถึงจะอยากฉันเราก็ต้องงดไปก่อนเพราะเหตุไรเพราะว่าพอฉันเข้าไปแล้วเส้นเลือดไปอุดตันในสมองถ้ามันตายป๊อกทีเดียวก็ไม่หวาอะไรเพราะมันตายแต่ถ้ามันเส้นเลือดแตกเป็นทีเดียวไปอุดตันในเส้นเลือดแตกก็แตกทีแล้วกันนะลูกหลานเขาหามขี้หามเยี่ยวตั้กันเออเป็นภ า, าระของเขาเพราะนั้นเราต้องรักษา สุดความสามารถซะก่อนกรรมคือการกระทำํำปัจจุบันนกรรมปัจจุบันนกรรมก็คืออะไรคือกรรมในปัจจุบันเราต้องรอมะมัดระวังอันไหนที่จะเป็นโทษเราต้องดูตรงไหนที่มันจะริ่นเราก็ต้องดูอันนี้เพระว่ากรรมในปัจจุบันกรรมในอดีตกรรมในอดีตมันก็มีเหมือนกันน ะ, ะเราเคยไปหักแข่งหักขา ไปตีหัวตีหลังตีเอพวพกสักทั้งหลายพอเราเดินไปไม่น่าจะหกล้มมันก็หกล้มพ ก, กรรมเก่ามันผลักดันมันผลักให้เราล้มอันนั้นเพราะว่าอาดีตกรรม อ, อดีตกรรมก็มีเหมือนกันนะปัจจุบันนกรรมก็มีเพราะฉะนั้นเราไม่รู้จะอดีตกรรมหรือปัจจุบันนกรรมเราก็ต้องดูดูปัจจุบันนักรรมของเราให้ดีที่สดุดแต่อดีตกรรมนั้น เราก็แก้ไขไม่ได้เพราะว่าอดีตกรรมเนี่ยมันเราทำมาแล้วทำให้เขามาแล้ว เ, เหมือนกับโวกเด็กไปเลี้ยงวัว เ, เด็กไปเลี้ยงวัวไปเห็นตะปูวิ่งเข้าจอมปลวกวิ่งเข้าจอมปลวกมันมีรูมันมีรูในนะจอมปลวกพอวิ่งเข้าไปเด็กหกเจ็ดคนนี่เอาใบไม้ไปอุดทนายทำเป็น มัดแล้วก็อุดรูแล้วก็มองดูอีกมันจะออกรูไหนอุดไปหมดอ่พออุดแล้วก็เลิมอย่ี้พอว่าไปเลี้ยงวัวทางอื่นคืดเจ็ดวันเลี้ยงทางตะวันออกเจ็ดวันเลี้ยงทางตะวันตกของหมู่บ้านพอถึงเจ็ดวันแล้วก็ไปเลี้ยงทางอาตะวันตกอา่าพอวันอุดเสร็จแล้วก็เราก็ลืมเขาก็ลืมคิดว่าวันพูนี้จะไม่ได้มาเขาก็เลย ไปทางทิศตะวันตกพอไปเลี้ยงบัวทางทิศตะ ว, วันตกเจ็ดวันกลับมาทางทิศตะวันออกระลึกได้โอ้เราได้อัดโลไอตะขวดเอาไว้ไอะตะขวดแลนอยู่ในจอมปวกเอาไปเปิดดิเนี่ยเราจะได้เอาขวดแล้วเอาเนื้อมันมาย่างกินหน่อยพอเปิดใบไม้ที่ทําเป็นป้อนปนยัดเข้าไปปิดเอาไว้ เปิดออกมาตะกวดตอนนั้นมันอยู่ในรูใช่ไหมมันหมดอะไรตายอยากเพราะมันหิวอาหารเนี่ย้ายก็ตายมันก็คงจะว่ายอย่างงั้นก็เดินคานต้วนเตี้ยวออกมาพอคานออกมาพวกเด็กเห็นพวกเลี้ยงวัวเห็นโอ้อย่าไปฆ่ามันเถอะงมันหิวมีรูที่มันมันหมดอะไรตายอยากในชีวิตของมันแล้วมันคานออกมาเลยจะไปฆ่ามันจะไปฆ่ามันเอาอะไรจะไปทำมันหน่อย มันก็เลย ข, ขาดตุมเตี้ยงออกไปไปหากินน้ํากินอาหารก็เลยไม่ได้ขาดแต่นี้พระสงฆ์มาบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้า ไ, ไปเดินทุ่งในป่าด้วยกันเกตองเป็นพระเนะเนี่ยเกิดมาชาติที่ได้บวชบวชเป็นพระไปเดินทุวงในป่าพอเดินมากกว่นี้เนี่ยเวลาฝนตกที่นี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็บอกว่า ที่อยู่ของพระกันเนี่ยนะที่ภูเขาเ น, นี่ยนะติดใกล้ๆหมู่บ้านเ น, นี่ยยขอได้หมดเพราะคุณท่านขึ้นไปพักอยู่ที่นั่นก็ได้เพราะเป็นที่พักของพระสงฆ์พระสงฆ์เจ็ดองค์ก็เลยขึ้นไปพอขึ้นไปก็ไปอยู่ในถ้าพออยู่ในถ้ำเสร็จแล้วฝนตกอย่างเนี้ยหินเมื่อก็เลยสไลด์ลงมาถึงหินสไลดมาปิดถ้ำอะไรเออหินสไลดมาปิดถ้าชาวบ้านเขาก็ ไม่รู้จะทํำยังไงตรงตอนเช้ามาพาก็อยู่ในถ้าเลยออกไม่ได้ชาวบ้านก็ไม่รู้จะทํำยังไงมันไม่เหมือนไม่มีแมคโครเหมือนทุกวันนะต่วันทุกวันนี่มีมีแมคโครมีอะไรเครื่องทุ่นแรงเลยอันนี้มันคงจะปิดเลยจะได้ตายพากอยู่นั่นนั่นกัอยู่ในถ้ำเจ็ดวันเออเจ็ดวันเจ็ดคืนเรื่องอาหงอาหารไม่ต้องพูดและเมื่อกันแล้วเรา เขาปิดตัวตะกวดอยู่ในจอมปวกอย่างนั้นแล้วงั้นแอไม่ได้เตรียมอะไรเข้าไปเลยหัวในสุดฝนก็ตกตกตกหินก้อนนะั้นมันเลยสไลดลงมาอีกสไลด์ลงมาอีกพอมีรูพอมีรูพระเหล่านั้นก็ค่อยปีนตะเกียกตะกายออกมาได้นี่แหละอันนี้ก็ไปถามพระพุทธเจ้ า, จาเลยพระพุทธองค์บอกว่า อันดีตกรรมของพวกค่านทั้งหลายเคยไปปิดรูตะกวดเอาไว้ในอนดีตชาติแต่กระจังดีพวกคันไม่ได้ฆ่ามันเพียงจะปิดรูเอาไว้เท่านั้นอะ่ะพวกพวกค่านทั้งหลายเลยเลยได้ร่วมกันใช้กรรำใช้กรรมการกระทําของตนเองเอไม่ถึงขับตายแต่เลยอยู่ในถ้าถึงเจวันเป็นลูกขี้เป็นูกเยี่ยวอยู่ในถา้า ลำบากขนาดไหนไม่ได้กินอาหารอีกต่างหากกินน้ําก็ไม่ได้กินเจ็ดวั น, นเกือบเอาชีวิตไม่รอดถ้าหากว่าข้าได้ฆ่าตวัวตะกวดเข้าไปแล้วก็คงจะได้รับกรรมหนักก็ไปอีกอันนี้ไม่ได้ฆ่ามันไงนี่แหละพระพุทธเจ้า ท, ทัานว่าอัคตังบุกตังเสโยปัชชาตปฏิ ต, ะะตุกตังกรรมชั่วอย่าทำเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้ว กรรมชั่วนั้นจะให้ผลให้เราเดือดร้อนเมื่อภายหลังควรจะทำแต่กรรมดีกรรมดีกัเนี่ยให้ทานรักษาศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติพ่อแม่ดูแลอุปธรรมภฐาบิดามารดาสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจนั่งสมาธิภาวนาแต่ละวันสรุปแล้วก็คือความดีคืออะไรความชั่วคืออะไร พวกเราได้รับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้รับคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วพวกเราคงจะแยกออกความชั่วนั้นคืออะไรความดีนั้นคืออะไรแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้รับธรรมคาสอนจากบรรพบุรุษของพวกเราพวกเราก็แยกออกจากเหมือนกันแต่ว่าเอากฎหมายแยกกฎหมายเขาก็แยกให้อยู่แต่ไม่แยกไม่ละเอียดเหมือนกับ ถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจา้าถ้าทาคาสอนของพระพุทธเจา้าแยกละเอียดแที่ท่านแนะนำสั่งสอนแต่กฎหมายที่เขาแยกแบบเก็บยาคือการอยู่ด้วยกันสรุป แ, แล้วก็คืออย่าไปทำในสิ่งที่ตัวเองทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเขามาทำให้แกเราเราก็เดือดร้อนคนนั้นอย่าทำาให้กันและกันอันนี้ก็คือกฎหมายและประชินและธรรมก็ลักษณะคล้ายๆนั้นแหละ เอสรุปแล้วก็คือกรรมกรรมที่ไม่ดีอย่าทำเสียเลยดีกว่าให้ทําแต่กรรมดีนะอันในสงทานอันในสงสินอันในสงภาวนาอันในสงประกอบคุณงามความดีแจะําพวกเราทั้งหลายไปสู่ความสุขความเจริญต่อไปปลภาคหน้าแต่ถ้าว่าทํากรรมที่ไม่ดีแล้วทําไม่ดีนั่นจะนชักลากหรือว่าดึงถ่วงเอาไว้ แต่มันก็ยากเหมือนกันนะถ้าเราไม่ได้รับการศึกษาที่ดีนะเนี่ยเราจะไปทางดีทางเดียวโอ้ยากแล้วจะไปทางชั่วทางเดียวก็ไม่ถึงก็ง่ายมันก็ยากอีกเหมือนกันเพราะคนเราเนี่ยมันมันอย่างที่ว่านะั่นแล้วก็ดาแล้วก็ขาวขาวก็คือคุณงามความดีดำก็คือความไม่ดีทั้งสองอย่าง เออมันเหวียงซ้ายเหวียงขวาเวียงซ้ายเวียงขวาแต่มันอยู่ตรงกลางนี่มันน้อยนะเออมันน้อยอัพยาการตาเอ่อหรว่ากุสลาธรรมมาจิตใจที่เป็นกุศลอักุสลาธรรมมาจิตใจที่เป็นอกุศลอัพยาการตาธรรมมาเออให้ว่าจิตเป็นกลางๆลางจิตเป็นกลางๆลานมีน้อยเหมือนกับเราเหวียงลูกตุ้มเนือน่ะเวียงลูกตุ้ม มันเวียงขวากวาเวียงซ้ายน่ยมันเร็วกว่านะแต่มันอยู่ตรงกลางมันนิดเดียวเองอภิยากตาเนะี่ยมันอยู่ตรงกลางมันไม่ไปซ้ายมันไม่ไปขวามันอยู่เพียงนิดเดียวแต่มันเวียงซ้ายเวียงขวาซะมากกว่าอภิยากตาเนี่ยวิจิตเป็นกลางๆจิตไม่ดีจิตไม่ชั่วถ้าเป็นสีก็เป็นสีเทานะจิตเป็นสีเทาแต่ถ้าสีขาวเนะี่ยคือประกอบคุณงามความดีอย่างพวกเราวันนี้มาสร้างคุณงามความดีนะว่า สีขาววั น, นแต่บางครั้งเราก็มีวิชามีอาชีพของเรามันก็ไปทางสีดำํำแต่บางครั้งมันไม่สีดํามันไม่สีมันไม่สีขาวแตมันเป็นสีเทานี่แหละปุถุชนของพวกเรามีลักษณะอย่างนี้เพราะพระเจ้าท่านท่านตรัสไว้อย่างนั้นเพราะนั้นให้พวกเราสังเกตดูนะอย่าให้มันไปทางสีดามากเกินเกินไป แล้วก็ให้มันไปทางสีขาวมากกว่าเพราะว่าสีขาวนี่แหละเมื่อทำไปแล้วก็ใจของเราก็สบายเำลึกล ำ, ำลึกขึ้นเมื่อไหร่ก็จิตใจสบายเยเวลาเราทำคุณงามความดีแล้วเรานั่งภาวนาแล้วจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วเผื่อเมื่อถึงข่าวไหนเราระ ล, ลึกย้อนหลังใจของเราก็สบาย ใจของเรามีที่พึ่งบนั้นพวกเราทุกทุกพันนะวันนี้หลวงพ่อให้คติด้วยแนวความคิดขึ้นมากรมชั่วจะทำเชยเลยดีกว่าคว้าพิกสุท่านไปเที่ยวทุรงในปานะ่าเออไปอยู่ในถ้ำแผ่นหินสไลด์มาปิดถ้ำทั้งเจ็ดวันเพราะสมัยก่อนหน้านั้นท่านเคยไปปิดรูตะกวดเอาไว้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านรู้อดีตอนาคต กรรมคือการกระทำถ้าใครทําสิ่งที่มันไม่ดีโอ้ทาไมข้าเกิดมาข้าไม่เคยทําให้แก่ใครเลยทําไมข้าจึงมีคนอิจฉาพยาบาทคนอาฆาตกับข้าพรเจ้าอย่างนี้แต่ในอดีตชาตเิเราไม่รู้ว่าเราทํากับเขาอะไรไว้บ้างเพราะนั้นเราต้องยอมรับแต่ในปัจจุบันนี้เรารู้แล้วว่ากรรมกรรมที่ไม่ดีนั้น มันจะเดือดร้อนมันจะเาะผาผลาญมันติติดตามเราเมื่อภายหลังเราจะไม่ทำนะปัจจุบันเนี่ยเรารู้แล้วเราได้รับการศึกษาพระทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแนละ้วเราจะไม่ทําสิ่งที่มันไม่ดีเราจะทําแต่กรรมดีเท่านั้นนี่ให้ตั้งไว้ในใจนะให้ตั้งไว้ในใจของพวกเราท่านทั้งหลายาตอนนี้ไปรับกร อ, อนุโมธนาให้อน